และต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานสินก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อเองไปนัชสถานที่ต่างๆเห็นครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระเมื่อสัายาติโยมอาราธนาสินพระเถระท่านก็ให้สินแต่หลวงพ่อเองก็ได้สังเกต ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็คงจะเข้าใจว่าสินห้านั้นมีอะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างแต่โดยมากที่ฟังฟังดูลงพ่ออาจจะอยู่ในชนบทก็ได้ก็ได้สืบสอบถามพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไม่ซึ้ง ในศินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเหมือนเหมือนกับว่าผู้ที่สมาทานศินหรือรับศินเป็นหน้าที่ของคนเข้าวัดหรือคนแก่หรือคนปลดระหว่างคนไม่มีการมีงานทําแล้วเข้ามาวัดจึงค่อยสมาทานศินรับสินสําหรับคนมีหน้าที่การงานที่จะต้องทํารับภาระ ที่เป็นคนหนุ่มพูดง่ายๆจะสมท า, านศินจะรับสินห้าได้อย่างไรอันนี้ก็คือแนวความคิดของคนรุ่นใหม่หลวงพ่อได้สืบสอบและถามดูก็ได้ความลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่าการเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนรุ่นหลังสินกฎหมายคือถ้าจะเปรียบเทียบก็ อันเดียวกันคนที่เรียนกฎหมายคนที่ศึกษากฎหมายคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นใช่ไหมจึงจะรักษาเคารพกฎหมายรลอปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆถ้าว่าคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายไม่จําเป็นจะต้องรักษากฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมคนที่ เขาวัดเขาวาแลว้วบอกคนที่รู้เรื่องศินเท่านั้นจึงจะรักษาศินใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้เรื่องของศินไม่จําเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือคําถามชุมชนและสังคมแต่ตามไม่จริงคนที่รู้กฎหมายคนที่ศึกษากฎหมายหรือคนไม่รู้กฎหมายก็ต้องเคารพหรือต้องศึกษาถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ต้องให้เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองที่ตั้งขึ้นมาแล้วกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วไม่เคารพกฎหมายคนในชุมชนประเทศชาตินั้นๆเดือดร้อนวุ่นวายนี้ก็เหมือนกันหลักศีลธรรมหรือว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันดับแรก หลวงพ่อจะเป็นผู้นำกล่าวนโมตัสสะก็คือข้าพเจ้าฝอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธังธรรมังสังขังสรานางคัฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยมปิพุทธังธรรมังสังขังยืนยันเป็นครั้งที่สองตาดติยมปิพุทธังธรรมังสังขัง ยืนยันเป็นครั้งที่สามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยืนยันทั้งสามครั้งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินสมาทานเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าพระพุทธเจ้าทําไมจึงงดให้งดเว้นในการฆ่าถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรพอเราไปฆ่าเขา แต่ถ้าว่าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาขนาญาตของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นในศีลของพระพุทธเจ้าท่านให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาเสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมท่านเป็นกลางท่านเป็นธรรมท่านว่าอย่าฆ่ากัน ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละสินข้อที่หนึ่งถ้าพวกเราพิจารณาดูไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วศินและธรรมของพวกพุทธเจ้าศินข้อที่หนึ่งมีคุณค่าศิลข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีเราจะไม่ขโมยของคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเคารพสิทธิ์กันดีไหม ให้เคารพสิทิ์ซึ่งกันและกันไม่ให้ขโมยกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุวิชัจาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาขกคารจสงวนห่วงเห็นของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงลับเราก็เช่นเดียวกันเคารพสิทธิ์กันดีไหมอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณี การมุสาโกหกคนอื่นเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราเสียใจไหมเขาโกหกเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันไว้นั้นพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสินข้อที่สี่คือมุสาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระบาลีสำทับเข้าไปอีกว่าใครก็ตาม ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้จริงไหมให้พวกเราคิดดูการโกหกตอแหลหลอกลวงคนอื่นพูดแล้วไม่ได้พูดโกหกไปเรื่อยแล้วจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นสินข้อที่สี่เป็นสินที่ควรสังวรระวังอย่างมากไม่แพ้ข้ออื่นอื่น ข้อที่ห้าสุราเมระยะมชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ศินข้อที่หนึ่งก็ล่วงเกินได้ศิลข้อที่สองขโมยของใครก็ได้เพราะขาดสติศินข้อที่สามล่าลาบละล้วงออผิดประเวณี ไม่อยู่ในทํานองครองธรรมก็ได้เพราะขาดสติมุสา ก, ก็ค่องเพราะขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่หเป็นสิลที่อันตรายอย่างมากเพราะคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสินนิธรรมของพระพุทธศาสนาถ้าเราพิจารณาด้วยสายตาอันยาวแล้วศินนิธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าวโลกยุ ใดสมัยใดมีศีลธรรมมีศีลห้าเทิดทูลบูชาเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้าโลกในยุคสมัยนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าโลกยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าเห็นว่าศีลธรรมหรือศีลห้าของพระพุทธศาสนาศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นของคืของลาสมัยศีลศีลเป็นศีลใดโนเสาแล้วในยุคนั้นแหละเอมิขสันดีจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ เพราะนั้นขอฝากไว้กับชุมชนศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนำไปคิดไปพิจารณาเมื่อรู้ว่าศีลธรรมของพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อ น, นี้ไปอาตมาภาพจะนำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อันดับแรกเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอใช้เวลาว่างในช่วงนี้แจก MP3 ของหลวงพ่อก่อนนะแล้วก็มีหนังสือแจกก่อนคงจะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาประมาณไม่นานแจกหนังสือหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อนะใครได้อ่านแล้วก็นังสือชุดต่ตอๆฟังว่าชุดต่อๆเพราะว่า ทุกวันนี้มีอักษรย่อเลือเกินปปชปปมตตกอะไรหลายอย่างหลวงพ่อก็เลยตั้งเชื่อว่าตตตงั้นกันแต่ตตตคืออะไรอ่านเข้าไปข้างในว่าเตรียมตัวตายเอออ่านเข้าไปข้างในว่าเตรียมตัวตายตตตเออเตรียมยังไงอ่านดูก็แล้วกันนะเออแล้วก็หน้าหลังสุดท้ายพระฝรั่งถามปัญหาจับปัญหาหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเอามาพิมพ์ที่นั่นภาษฝรัง่งชาวเยอรมันก็บอกว่าผมเป็นไบรักซแต่ต่อไป ต, อตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งเนื่องเมื่อผมเป็นมะเร็งแล้วผมเข้าไปหาหมอหมอหญิงหมอชายจะต้องรักษาผมจากนั้นผมจะต้องมีพยาบาลหญิงชายมาทําความสะอาดร่างกายของผมแล้วผมจะให้เขารักษาจนถึงใจขาดนั่นหรือหรือว่าจะรักษาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะ ในความเห็นของท่านอาจารย์อันนี้อธิบายอยู่ในนั้นอันดับสองบอกว่าขณะที่ใจผมจะขาดออกจากร่างเนผมจะยึดกรรมฐานไหนผมจะกาหนดกรรมฐานอะไรผมจะภาวนาอะไรในจุดนั้นในขณะที่ใจจะขาดนั้นอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้เฉลยในนั้นอีกเหมือนกันอันที่สมเขาบอกว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ใจของผมมันร้อนใจของผมสงบ เยือกเย็นดีแต่พอผมออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วผมรับภาระหน้าที่การงานก็เลยทำให้จิตใจของผมร้อนจนอยู่ลำบากถ้ามีอาการอย่างนั้นท่านอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรนี่นะสามปัญหานะเออเอสของหลวงพ่อท้าว่าท่านผู้ใดได้รับแล้วก็ออกเอาแจกท่าเลยก็ได้ตรวงพ่อพูดช้า และก็ขอให้พวกศรัทธาญาติโยมฟังแบบใจเย็นๆก็ว่าจะคงเกิดประโยชน์คงเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะเทศน์หรือวจะแสดงธรรมหลวงพ่อจะกล่าวประวัติของหลวงพ่อให้ฟังเสียก่อนว่าทําไมศรัทธาญาติโยม โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคุณรามที่นิมนต์หลวงพ่อมาเนี่ยทำไมจึงนิมนต์พระองค์นี้มาองค์นี้พระองค์นี้มาจากไหนศรัทธาญาติโยมก็คงไม่เคยเห็นพ่อหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นญาติโยมมากต่อมากเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอแนะนำตนเป็นเบื้องต้นซะก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารบวชกับองค์หลวงปู่ล่าเขมปะตโต ใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ11 11 12ปีเป็นสมัมเนบวชปี 2,500 เป็นสมัมมเนนแล้วจากนั้นมาเป็นสมัมเนนอยู่8ปีแล้วก็มาบวชเป็นพระปี08นะเอ่นี่แหละชีวิตของหลวงพ่อ บ, บวชตั้งแต่ปี08ปีนี้ก็เป็นปีที่43จะเข้าปี14เอ่ 44,000 ษานษาและก็บ44บวก8อ่ เป็นนั้นว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากฝังไปในพระพุทธศาสนาห้สบกว่าปีหลวงพ่อบวชมาห้สิกว่าปีแล้วหลวงพ่อเนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเกี่ยวเนื่องกับวัดกิติหลวงพอสมควรเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานหลวงปู่จามหลวงปู่จามมหาปุญโญที่ห้วยทายเคยจำพรรษาที่วัดกิติหลวงเนี่ยเป็นหลวงอาของหลวงพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของหลวงปู่จามแต่ี้ หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านขึ้นมาทางจําพันธาทางเชียงใหม่ติดต่อกันเป็นเวลาถึง29ปีไม่เคยกลับไปถึงบ้านเลยอยู่แถบนี้อยู่กับหลวงปู่ตือหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายในแถบภาคเหนือลำปางลําพูนจากนั้นท่านก็ โยมแม่ของท่านคือโยมย่าของหลวงพ่ออนาะการอายุมากท่านก็เลยลงไปไปเยี่ยมโยมย่าจากนั้นท่านก็เลยพอเยี่ยมโยมย่าโยกย่ามรณาภาพท่านก็ เ, เอาหลวงพ่อเองเป็นพระหนุ่มเป็นผ้าน้อยท่านก็บอกว่าจะขึ้นไปชังเชียงใหม่ด้วยไหมเราจะหนีละเราจะไม่อยู่ท่านก็โมยหนีออกจาก ญาติพี่น้องอีกเป็นรอบที่สองเพราะงั้นแต่ที่แรกกันขโมยหนีออกจากญาติพี่น้องแล้วคราวนี้ท่านก็หนีออกมาอีกหลุงพ่อก็เลยขึ้นมามาก็มาอยู่ที่วัดกิติหลวงลุงพ่ออยู่วัดกิติหลวงประมาณน่าจะสองเดือนน่าจะได้จากนั้นก็ท่านก็มาอยู่ที่วัดกิติหลวงท่านก็บอกเออตุกมาอยู่ที่วัดนี้เป็นวัดปริญญาเรียนหนังสือสําหรับตุ๊เอง เป็นเนนเป็นพระอยู่ป่าปฏิบัติเพราะนั้นในพรรษานี้ให้ไปอยู่จําพรรษากัลหลงปู่แหวนนะลงปู่หนูนะปีนั้นปี2510แล้ว้ก็ยมอุปธรรมอุปถากตี่ที่รับหลวงปู่มาแล้วมาดูแลหลวงปู่จามยุคสมัยนั้นก็คือคุณโยมบูทองคุณยอมเลี้ยงพันคุณโยมสุพศ แล้วก็คุณยายคุณย่าคุณยายผันแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะที่ดูแลจากนั้นก็พาหลงท่านก็เลยหลวงพ่ออยู่ที่นี่พักผ่อนเดือนสองเดือนท่านก็เลยเอารถขึ้นไปทางอำเภอฝางรถสมัย น, ะ over, ยนั้นรถ Land Rover นันแต่รถไรยาสูุจากนั้นก็ลงไปอำเภอพลา้าสมัยนะั้นถนนทางหลงคอที่ไม่มีไปทางลัดลงไปทางอาเภอพร้พา ปี2510หลวงพ่อก็ไปจําบรรษาที่วัดกับวัดหลวงปู่แหวนสมัยนั้นมีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนูอยู่ด้วยกันสององค์หลวงพ่อเข้าไปก็เป็นองค์ที่สหลวงพ่อในทําหน้าที่เป็นเนนเลยเหมือนกันเถอะทั้งที่เป็นพระบวชปี08แล้วก็มาเป็นสมณเณรคือว่าทําหน้าที่เณรต้มน้ําต้มถาทําความสะอาดปัดกวาดเพราะท่านสององค์เป็นพระผู้เท่าหลวงปู่แหวนก็ เจกว่าและสมัยนั้นหลวงปูห่หลวงประมาณ60กสิบกว่าประมาณ60 60ได้เนี่ยหลวงพ่อก็ะด้ดูแลปฏิบัติท่านปี2510จากนั้นก็ออกจากหลวงพอจำพรรษาเสร็จแล้วหลวงปู่จามก็ขึ้นไปรับจากนั้นหลวงหลวงพ่อก็ะด้กลับลงไปที่ห้วยทรายอีกพอหลวงญาติพี่น้องขึ้นมานิมนต์หลวงปู่จามก็ได้อยู่จำพรรษาห้วยทรายตั้งแต่ สมัยนั้นจากนั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าพระน้อยหนุ่มอยู่ที่บ้านไม่ดีมีอารมณ์มีสัญญาเข้ามาได้ง่ายหลวงพ่อก็ได้ลากาบลาองค์หลวงปู่จามขึ้นไปทางฉกคนครอุดรจึงได้ไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวปี2512จากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้อยู่องค์หลวงตาเป็นเวลา13ปี จากนั้นก็ได้ไปอยู่ที่วัดป่านาคบน้อยปี 2,525 25. นี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของหลวงพ่อแบบคร่าวๆก็เป็นอันว่าหลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อายุตั้งแต่12ปี12ปีกว่าตั้งแต่ปี 2,500 ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อบวชเป็นเนนกลึงพุทธการ เนน ก, กึงพุทธการเนน2005าจากนั้นก็บวชปี08นชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตในชาตินี้ว่างัน่ฝา ก, กหวังไปในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมาในคราวนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยที่จะขึ้นทามาศหรือแสดงธรรมคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เป็นสิทธญาณสิทธิทขององค์หลวงตาก็คงจะไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าหลวงพ่อ เ, เป็นองค์ขึ้น แสดงธรรมในสถานที่ต่างๆถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอยู่ในป่ารงพงศ์ไพรมุ ม, มสุสีสีเหมือนนั้นเถอะแต่คราวนี้คุณลามนิมนต์ไปหลวงพ่อก็ได้ถามว่าคุณลามคิดดีหรื อ, อยังที่นิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่งานขององค์ลงหลวงปู่วัดเจดียหลวงคุณลามาคิดดีแล้วเอรอคิดดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่บาแต่คิดไม่ดีให้คิดใหม่นะ หลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงได้มาเพราะหลวงพ่อเองก็รักเคารพองค์หลวงปู่คือถือว่าองค์หลวงตามหาบุญถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่เป็นพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาหลายปีอย่างที่ว่าสิบสาปี์หลวงตาบ้านตาดกับ อ, องค์หลวงปู่ของเราเนี่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันมาตั้งแต่นมนานเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ เป็นญาติผู้ใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อก็รักเคารพถึงจะไม่ได้มาในคราวนี้เนี่ยคิดว่าก็จะได้ชวนสมัครพักพวกก็คงจะมาอีกในครั้งต่อไปอีกเหมือนกันเพราะถือว่าหลวงปู่ที่ท่านมรณาภาพนี่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นที่รักเคารพหรือว่าเป็นเพื่อ น, นที่สนิทขององค์หลวงตาหลวงตาก็เป็นถือเสมือนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ ของหลวงพ่อเองเพราะนั้นวันนี้ถือมาได้มาก็นได้มากามาราบมาคารวะวงหลวงปู่ต่อเห็นแล้วก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกก็รู้สึกว่าการไปมาก็ไม่สะดวกเท่าไหร่วันนี้ต่อนนี้ไปหลวงพ่อได้กล่าวแนะนำชีวประวัติอย่างยอ่อเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้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 อนิจจาวัตสังขาราอุปัทวะยธรรมมิโนอุปชิตวานิรสันตีตีวันนี้อาตมาภาพได้มาร่วมงานหลวงปู่ของเราพระพุทธพน์วรพรหลวงปู่จันทรุสโลเอแต่หลวงปู่จันทร์หลวงพ่อจะสะดวกกว่า รักเคารพหลวงปู่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นอันดับแรกแต่หลวงพ่อเองก็ได้ติดตามผลงานของท่านลิขิตของท่านหรือคำพูดของท่านที่ออกตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆกมากในสมัยก่อ น, อนหลวงพ่อเองได้อ่านแล้วก็ไม่ไม่เคยพลาดสายตา พอเห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อลิขิตของหลวงปู่ของเราแล้วหลวงพ่อจะต้องอ่านให้จบเพราะเหตุไรเพราะในคําพูดของท่านแต่ละคําเป็นคําคมที่เฉือยใจด้วยเป็นความคําคมที่น่าคิดน่าติดตามอย่างมากเป็นคําพูดที่หาได้ยากกระทั่งทุกวันนี้ก็เถอะที่เป็นหนังสือขององค์หลวงปู่หลวงพ่อเองก็ได้นํา เอามาเป็นแนวความคิดหรือเป็นแนวคําพูดมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของฝ่ายสงฆ์และก็ฝ่ายพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการจากไปขององค์หลวงปู่ในครั้งนี้ก็ น, น่าว่าท่านเสียไปจากไป เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่จากพวกเราไปแต่ถึงยังไงพวกเราก็ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลีก่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นองค์หลวงปู่ของเราก็อยู่ในกฎนี้เช่นเดียวกันแต่พวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องเดินตามกฎนี้เหมือนกันกับองค์ท่าน ไม่มีใครแพ้ใครเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้มากล่าวในสถานที่แห่งนี้ได้กล่าวเรื่องสังเวนิยะกถาคือกล่าวเรื่องความสลดสังเวชใจที่พวกเราไม่พึงปรารถนาแต่ก็ต้องได้พบได้เจอได้เห็นอย่างที่พวกเราได้เห็นได้เจอในขณะนี้หลวงปู่ท่านไปนสถานที่ใดโดยมาก ครูบาอาจารย์ในถินนั้นท่านจะให้เป็นองค์แสดงธรรมอย่างเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดของหลวงปู่เลียนวัดอรัญญพันพุ์อําเภอชีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเขาก็นิมนต์องค์หลวงปู่นี่ไปรายงานแล้วก็พร้อมการก็านิมนต์องค์หลวงปู่เป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้ยินแล้วยังประทับใจอยู่ ท่านก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมท่านก็เล่าเป็นนิทานขึ้นมาท่านบอกว่านี่นะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นสามีภรรยาถึงจะเป็นบ่งสาคานาย ญ, ญาติก็เถอะก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันมีความทุกข์ละทมเพราะเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใคร ถ้าว่าใครก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเห็นน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันก็สงบร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าว่าเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่เห็นแก่ใครและก็อยู่ด้วยกันก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในครอบครัวนั้นๆท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาทึงท่านบอกว่าวนึสามีภรรยาคู่หนึ่งท่า อ, อ, อยู่ด้วยกันทีแรกก็เข้าอกเข้าใจกัน พอต่อมาพอสร้างฐานะขึ้นมาพอมีอันจะกินพอไปมีอันจะเป็นไปทางฝ่ายสามีแ้ะก็ออกนอกลู่นอกทางไปหาเที่ยวหาเต่กินเหล้าเมายาสุรานารีตามภาษาแต่ว่าแม่บ้านนี่อยู่ที่บ้านเนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมานะที่ตรงปู่พูดในวันนั้นนะลกพ่อจายังไม่ลืมเนะเป็นทุกข์เป็นร้อนหิตใจพอมากะระเทาะบอกแว้งกันในสามีภรรยานั้น ต่อมาก็สามีก็ยังไม่ละเลิกแต่ภรรยาในก็พยายามห้ามปรามพูดแล้วพูดอีกจนทะเลาะบางังครั้งก็ได้ตบตีกันต่อยกันยนะังไจนเป็นที่เรื่องลือกันแต่ถึงยังไงสามีก็ยังยังหลงผิดอีกอย่างเก่าจนผลที่สุดวันหนึ่งภรรยาอดทนทนไม่ไหวไม่ได้แหละถ้าขืนอยู่จางนี้ตายดีกว่าภนระรยาว่าอย่างนั้นเนะ แต่ทีนี้คือที่แหลกไปย้ายบ้านไปเรื่อยผลที่สุดก็เลยย้ายบ้านไปอยู่ใกล้คลองพอนั่งเรือไปแล้วก็ขึ้นไปริมคลองคงจะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพยานี้ก็มัง ท, ที่ลงปูนยกเบียบเทียบเพราะงั้นเะที่แรกก็เคยไปตั้งบ้านอยู่ติดริมคลองพอตั้งขึ้นมาทีนี้ทางภรรยานี่ก็บอกว่าแกนี่นะบอกมาหลายครั้งแล้ว โบไม่รู้ว่ากี่ครั้งถ้าบอกขึ้นมาแล้วก็เทะเลาะกันทุกทีจนถึงได้ตบต่อยตีกันฉันคงจะไม่อยู่กับแกอีกแล้วฉันคงจะหนีแล้วฉันคงจะตายไปดีกว่าคงจะเป็นไม่สามารถที่จะอดนทนทนไม่ได้อยู่อย่างนี้นเออพอว่าเท่านั้นเองถันไปแล้วนะฉันไม่อยู่กับแกแล้วแต่ก็เลยโดดลงไปใน น, น้ําเหมือนกันเถอะฆ่าตัวตายเหมือนกันเถอะต่อหน้าสามีเหมือนกันเถอะเออ กระโดลงไปในน้ำํำพ่อโดดลงไปในน้ำแหมภรรยายกสองนิ้วขึ้นมาขนาดลงไปในน้ํานะเฮ็ดสองนิ้วขึ้นมาเหมือนกับยกลิโพวิตันอย่างนั้นแหละอย่างั้นเถอะแหมยกมุ่ขึ้นมาสองนิ้วทั้งสามีก็แหมทำไมมันกระโดดลงไปแล้วยังยกสองนิ้วขึ้นมาอีกเขาคงจะรักลูกรักผัวกันมั้งเขายังยกสองนิ้วอย่างนี้เหมือนกันแหมพันแต่ว่า ภรรยาหนึ่งไม่เก่งทางว่ายน้ําเหมือนกันเถอะเขาตายเนี่ยท่านงไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ลงไปช่วยเหมอนกันสามีเลยกระโดดต้ามลงไปเหมือนกันอะไปก็เลยไปจับขึ้นมาได้อพอขึ้นมาได้เลยก็ถามว่าทําไมทําไมเธอตาแก่กระโดดลงไปในน้ําแล้วยังยกสองนิ้วขึ้นมามอีกทําไมถึงยกสองนิ้วขึ้นมาพรรยาก็บอกว่าฉันเกียดที่สุดฉันจะตาย ที่สันยกสองนิ้วขึ้นมาไม่ใช่อื่นไกลชั้นด่าโคตรพ่อก็โคตรแม่ของคุณอีกคนหลวงปู่หลวงปู่จันนี่แหล ะ, ะที่ท่านพูดในวันนั้นที่วัดหลวงปู่เหลียนหลวงพ่อก็จําได้เออเนี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านสอนสามีภรรยาครอบครัวถ้าว่าไม่ไม่มีความเข้าใจกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆแต่ถ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดก็ตาม ถ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆในลูกในหลานของครอบครัวนั้นๆวันนั้นในหลวงปู่จันท์ที่ท่านเทศวัดหลวงปู่เหลียนหลวงพ่อยังจําได้วันนัออ้นแต่หลวงพ่อก็ได้เอานํามาคิดนํามาพิจารณาอันนี้คือสรุปแล้วก็คือศีลธรรมสําหรับผู้ที่ครองเลือนแต่ทางว่าคลองเรือนไม่ดีมีแต่ความ หายณนะเรือว่ามีแต่ทุกข์เข้ามาสู่ตระกูลนั้นๆนะอันนี้ก็คื อ, แ, อแนวความคิดที่หลวงปู่อบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนและก็หลายเรื่องอที่หลวงปู่เขียนเป็นลิขิตขึ้นมาน่าศึกษาอย่างมากแนวความคิดขององค์หลวงปู่ของเราเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็น่าเสียดาย ที่อยากจะได้พระเถระอย่างองค์หลวงปู่เนี่ยมากมากเพราะพุทธศาสนาค ง, งจะก้าวกระโดดแต่จะทำยังไงได้เพราะเป็นยุคเป็นสมัยแต่ถึงยังไงพวกเราลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังได้รับโอวาจาองค์หลวงปู่ถึงจะมากหรือน้อยอยังไงก็ตามท่านสอนใครอย่าไปคิดว่าท่านสอนคนอื่นให้ถือว่าท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายออกนอกลูก่นอกทางก็แสดงว่าหลวงปู่ให้โอวาดแล้วเราปฏิเสธแต่ถ้าว่าพวกเรานํำทำคําสั่งสอนขององค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะในหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่าน ค้นคว้าหลักธรรมคำสั่งสอนที่มาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ ร, รมหรือพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกไปบวชอยู่ในป่าดงพงไพ่พระพุทธองค์คิดเรื่องอะไรทําไมจึงหนีทําไมจึงหนีออกจากเบี่ยงวังท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสงบมีความผาสุขมีพร้อมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ในการเป็นอยู่ของพระองค์แต่พระองค์ทําไมจึงหนีอันนี้ก็คือพวกเราควรจะศึกษาที่พวกเราเป็นสาธารณชนและเป็นพุทธบริษัททําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีแต่บางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าชิ ธ, ธาตานี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะว่าขนาดมีลูกมีเมียมีพ่อแม่แล้วยังหนีเอาตัวรอดไปอยู่ตามลําพังไอ้บางคนในยุคนี้สมัยนี้ก็ได้ยินออกมา แต่ตามไม่จริงควรจะคิดใหม่คิดอย่างนั้นคิดไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะว่าสิท ธ, ธัตถะท่านอยู่ในเวียงวงังท่านพิจารณาเห็นอะไรท่านบอกว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่ถ้าว่าพระ อ, องค์อยู่ในเวียงวงังก็จะต้องพระ อ, องค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเหมือนกับกษัตริย์รุ่นก่อนๆรุ่นปู่รุ่นทวดของท่านไม่มีอะไรที่จะแปลกกว่ากษัตริย์ ที่ล่วงลับดับกันไปก่อนหน้านั้นแต่พระพุทธองค์พอเห็นคนแก่คนเก็บคนตายพุทธองค์ก็หาวิธีการจะทํายังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละสนวนที่พระพุทธองค์สิท ธ, ธาในคิดในในครั้งนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาไตรตรองถ้าว่าเราเป็นฆราวาสเราก็ไม่สามารถที่จะค้นคิดศึกษาสิ่งเหล่านี้ ในรายละเอียดได้เพราะภาระธุระกิจธุระของพระ อ, องค์มีมากเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งกิจการภายนอกและกภายในเรื่องต่างๆของพระ อ, องค์มีมากมายเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงตัดสินพระไทยขโมยหนีออกจากเฟียงหวังไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าไปลองผิดลองถูกอยู่ในป่าถึงหปีนี่และ อันนี้ก็คือสิทัตถะที่ พ, พระพุทธองค์ได้หนีออกจากเวียงวังจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปบำเพ็ญทุกกะกิริยาถ้าจะว่าไปแล้วไม่ใช่ไปหาแสวงหาความสุขเอาตัวรอดถ้าจะว่าไปแล้วไปค้นคว้าไปศึกษาไปหาแสวงหาทรัพย์สมบัติในเมื่อพระองค์ได้ตรรู้ธรรม ได้บรรลุธรรมได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสมโพธิญาณได้ทำอันไม่ตายจากนั้นพระองค์ก็ได้นำธรรมที่พระองค์ได้ตัดรู้แล้วมาบอกกล่าวมาเผยแผ่มาแจกแจงมามอบให้แก่วงสาคนายาตมามอบให้พระบิดาและกระวงสาคนายาตได้รับมรรคผลเป็นอริยะบุคคลทั่วนหน้ากันอันนี้พอถือว่าพระพุทธองค์ จะหนีออกจากออกจากเฟียงวังเอาตัวรอดไม่ได้ให้แค่ว่าไปเสาะแสวงหาทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเขามาแจกให้แก่วงศสาคณาญาติต่นี้ก่อนที่พระ อ, องค์จะเสาะแสวงหาทรัพย์นั้นในพุทธประวัติแล้วพระ อ, องค์เกือบเอาตัวไม่รอดถึงหปีอดภระกาหารถึง49วันแล้วก็ทำไร้ล้าลอย่างจนถึงสลบสลายก็มีที่เราได้ศึกษา แต่ด้านก็เอาเถอะนะเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วที่พระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษานั้นเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามีหลายอย่างเหลือเกินเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์เขาจะหาอะไรเขาหายาหรือเขาหาเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เขาจะต้องค้นคว้าไอ้เรื่องค้นคว้านั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ในคืนวันเดือนหกเพ็นนั่นอ่ะวันที่ท่านได้ตัดสรุนั่นคืออะไรท่านได้ตัดสรู้อะไรแล้วก็ท่านทํำยังไงท่านถึงได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในวันนั้นอันนี้พุทธองค์ค่อนหนึ่งวันเดือนหกเพนนพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงนายโสธิยะได้หาด้วนได้เอายาคาผ่านมาแล้วก็มอบให้สิท ธ, ธัตถะ พอพระองค์ก็รับจ่าคาจากในโสติยะเอาลงมาเกลี่ยที่โคนต้นโพจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า เ, ออเวลานั่งก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ห า, Stella, หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ให้พวกเรา ท, елю, ท่านทั้งหลายให้รู้เอาไว้ว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกรรมฐานอะไรให้พวกเราได้ศึกษาว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดยานาทศนะจากนั้นพระองค์ระลึกชาตินหนังไน้าน้อมจิตลำลึกถึงชาติที่แล้วว่าชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไงเพราะพระองค์รู้ได้ด้วยยานททศนะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ชาติสัตว์ทุกประเภทตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนี่แหละถ้าพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าให้พวกเราเชื่อ ว่าตายแล้วไม่สูญเพราะพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วที่โคลนต้นโพแล้ว่าปุกเพในวาสานุจติยานละลึกชาติหัหลังได้ถ้าว่าตายแล้วสูญจะละลึกชาติได้อย่างไงตายแล้วไม่สูญเออเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าอยากจะรู้เพราะพระองค์ก็ไม่ได้สงวนลฤกษ์ศีลว่าเมื่อเรารู้แล้วพวกท่านทั้งหลายอยากรู้ตามนะเพราะพระองค์ก็ไมไาในว่าอย่างนั้นวิธีการทำอย่างไงพระองค์ก็บอกว่าวิธีการก็คือ นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตส่งไปออกข้างนอกจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะแล้วส่งกระแสจิตแลว้วน้อมจิตลำาลึกถึงชาติที่แล้วนี่แหละ อันนี้คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบในวันเดือนหกเพนเรียกว่าอุเพนวาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนพระโต้งกาหนดจิตของพระองค์ให้ละเอียดเข้าไปอีกพระพอุทธองค์รู้ว่าจุตูปะ ป, ะปะตะาตญาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายจากชาตินั้นละมาที่นี่ออกจากนี่ไปไหนพระพอุทธองค์ก็รู้ได้ว่ามนุษย์ของเราหรือสัตว์ทุกประเภท ความเป็นมาและความเป็นไปของวิญญาณมีมากมายที่จะต้องไปในเรื่องต่างๆได้แต่ว่าการที่จะไปสูงหรือต่ำนั้นเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็รู้สาเหตุดีว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะพาผักดันลงไปทางต่ําอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานตกนรกหมกไหมได้ง่ายแต่ถ้าว่าผู้ใดทํากรรมดี ที่เป็นกุศลกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณ น, นั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่สูงส่งขึ้นถ้าหาว่าท่านผู้ใดพระองค์ก็รู้ว่าเอาทำไมใจตรงนี้มันยังวกวนเวียนเวียนตายเวียนเกิดวกวนเวียนไม่มีที่สิน้นสุดมันเป็นเพราะอะไรพอพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาอีกที่ว่าจนชำระใจของพระองค์ขั้นสุดท้ายแต่ว่าอาสาวกขยะยาน ที่พระพุทธองค์ชำระใจของพระองค์ด้วยตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาพิจารณาถึงว่าใจตรงนี้มาจากไหนจากไหนจึงมาเกิดทำไมจึงเป็นอย่างนี้พระพองค์ก็รู้เลยว่าเป็นมาเพราะตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจญาสร้างขารานพระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทถึงตัวอวิชชาไม่เกินกว่านั้นพอกเกิดมาจากความโง่ใจตรงนี้เกิดมาจากความโง่คือความไม่รู้ แนวอวิชาปัจญาสร้างค่าราสร้างคาราปัตยาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณ ส, สุอุปายาตคือความเศร้าโศกร้องให้พิไรรำพันทุกโศกทุกประการนออกมาจากความโง่จุดนั้นจะทํำยังไงพุทธองค์ก็ใช้ตประธรรมคือศินสมาธิปัญญาคือสมาธิธสัมมาสังโปวายากรรมันตอาชิโวติสมาธิมา ก, กั้นกรองดวงวิญญาณในใจดวงนั้น จนใจตรงนั้นรู้แจ้งเห็นจริงขอดถอนกิเลสออกจากใจจนใจใจบริสุทธิ์พระพุทธองค์ขอรู้ได้ด้วยพระองค์เองก่อนว่าอาสาวกยยาญยานญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกแล้วทําใจดวงนี้ให้หลุดพ้นออกจากกิเลสแล้ว ถ้าจะว่าไปถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสนั่นคืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเอามาปลูกมาปลูกขึ้นมาเมล็ดข้าวนะั้นมียางมีตาพอปลูกขึ้นมาน้ําอากาศเหมาะสมเมล็ดข้าวนะั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเป็นต้นเป็นลําขึ้นมาจากนั้นก็เป็นรวงออกมาอีกแล้วเอกเมล็ดข้าวไปปลูกไปอีกมันก็ต่อเกิดไปอีกแต่นี้ถ้าหากว่าพระพุทธองค์ เอ า, มาเมล็ดข้าวนั้นเอามานึ่งซะเอามากระเทาะเปลือกออกซะให้เป็นข้าวสารแล้วเอามานึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุไรเพราะว่ามันสุกแล้วมันหมดเชื้อแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าใช้แต่ประธรรมคือศีลสมาธิปัญญากระเทาะเปลือกออคือถุงให้มันสุกท่านจึงว่านิพพานังปรมาณูสูญสูญอะไรสูญเชือ้อ เชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นมันสูญมันหมดหมดเชื้อแล้วที่จะทําให้เกิดนิพพานาังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุไรจึงสุขสุขเพราะว่าไม่มีอะไรจะมารบกวนเออจะมาปั่นป่วนจะมาเกี่ยวข้องกับใจดวงนั้นได้อีกใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วเพราะฉนั้นจึงมีความสุขอันยิ่งเพราะฉะนั้นนิพพานาังปรมังสูญอย่างลิบลิบพานังปรมังสุขงาางั ง, ขขงทั้งสองเงื่อน่ บางคนบางท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันทีนี่สุขแล้วทําไมจึงศูนย์ศูนย์แล้วทําไมจึงสุขเนะีเพราะว่าศูนย์เชื้อนะไม่ใช่ศูนย์อย่างอื่นความบริสุทธิ์นั้นยังมีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราสาธุชนทุกๆ ท, ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มีทานมีศินมีภาวนากำว่าทานนี่คืออะไรคือทานก็คือเป็นหนทาง เ, เตรียมตัวเอาไว้ว่าเราจะต้องเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าใครไม่ได้ทําสังสมบุญกุศลเอาไว้ในภพนี้ชาตินี้เกิดในภพหน้าชาติหน้าไม่มีอ น, นิสง์ทานเกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็ยากจนเพราะเหตุไรเพราะว่าอ น, นิสง์ทานไม่มีทําอะไรก็ต ก, ต ก, ตกตๆหล่นๆเพราะว่า อั น, นิี้สงทานไม่เกื้อกุนหนุนเพราะฉะนั้นอันนี้สงทานในเกื้อกูลหนุนในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระหันทสาวกท่านมองเห็นแล้วว่าดวงวิญญาณแต่และดวงวิญญาณนั้นได้ทํากรรมอันไหนไว้เป็นมาอย่างนี้เพราะอะไรแต่ถ้าว่าดวงวิญญาณหรือใจท่านผู้ใดก็ตามเกิดมาภพนี้ชาตินี้มีความสงบมีความร่ํารวยหาเงินคําทรัพสมบัติได้ง่ายแสดงว่าคนนั้น ได้ทํากรรมดีไว้ในอดีตคงจะทําบุญไว้กับพระอาหารหันต์หรือกับพระพุทธเจ้าด้วยสั่งสมบุญกุศลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือยินดีในการทําทานอั น, นิสงส์ในการทําทานนั้นเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากอั น, นิี้สงสินคุ้มครองเกิดพบใดชาติใดชีวิตของเขาจะยืนยาวเพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอทินนาทานก็เหมือนกันเราไปวางสิ่งของเอาไว้สิ่งของไว้ที่ไหน ก็ไม่มีใครจะมีขโมยโพล่โจรเข้ามาแย่งมาชิงเพราะอันนีงสงสินคุ้มครองและก็การมีสุวิชชาจาร์สามีภรรยาก็เป็นผู้ว่าง่ายสอง่าย ล, กลูกหลานเกิดมาก่อนอยู่ในโอวาทเพราะเหตุใดเพราะเราเคารพในศีลข้อที่3อย่างเข้มงวดกวดขันข้อที่สี่เราไปอยู่ใ น, นสถานที่ใดไปกล่าวใ น, นสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจพูดอะไรพูดยาพาทีกับใครก็เป็นที่ยอมรับเพราะเราไม่เคยโกหกพกลมแต่ถ้าว่าเราเคยโกหกตอแล้วเข้ามาตลอดมาชาตินี้ก็ยังโกหกตอแหลเขาอีกใครจะไปเชื่อถือในถ้อยคําของเราแล้วก็ข้อที่5สุราเมรยะถ้าว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าผู้นั้นจะเป็นผู้มีสติปัญญาเพราะว่าไม่ได้หนักไปในการดื่มสุราเนี่ย ศีลของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วเป็นศีลที่คุ้มครองตลอดไปกรรมคือการกระทำถ้าว่าเราทำดีในชาตินี้จะคุ้มครองต่อสืบเนื่องไปในภพชาติต่อไปถึงจะชาตินี้ก็เถอะถ้าว่าเราให้ทานเราไปนัตถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมใครๆก็อยากจะให้ไปหาใครๆก็อยากจะคบค้าสมาคมเพราะจิตใจของคนนนั้นกว้างขวาง ไปนักสถานที่ใดไม่เอารัดเอาเปียบคนอื่นเขาแต่ถ้าว่าใครก็ตามไปนักสถานที่ใดมีแต่เอารัดเอาเปียบไขมีแต่อยากจะได้ของเขาโลภอยากจะได้ของเขาเขาก็ไม่อยากจะเห็นหน้าเมื่อเห็นเราเขาก็หลบหลีกหลบหลีนีหน้าไปหมดเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้ไม่มีการเสียสละต่อชุมชนสังคมแต่ต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อวงสาคนาญาตเพราะนั้นทานคานี้เนี่ยเป็นคือน้าเชื่อมสาหรับ การเป็นอยู่ร่วมกันให้สงบพรมเย็นเป็นสุขศินก็เช่นเดียวกันถ้าคนมีศินไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันในพบนี้ชาตินี้คอยคนที่มีศินไปน่าสถานที่ใดเขาก็จะไม่ระแวงแค่งใจยิจ่งหน้าที่การงานแล้วการเงินแล้วถ้าว่าคนมีศินแล้วจะต้องเป็นที่ยอมรับไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมากถ้าว่าคนไม่มีศินเข้าไปคุกกับการเงินแล้ว ถึงจะพูดดีขนาดไหนก็เถอะทาดีขนาดไหนก็เถอะเขาก็ยังมีความระแวงแคลงใจอยู่ลึกๆเหมือนกันอ่ามันจะมาไม้ไหนเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีศีลเพรา ะ, ะนั้นศีลถ้าศีลของพระพุทธเจ้าเลยถ้าว่าพวกเรารักษาดีแล้วคุ้มครองตนในทั้งชาตินี้ด้วยทั้งชาติต่อไปด้วยนี่แหละทานศีลภาวนาก็เหมือนกันคนที่มีภาวนาจิตสงบมีจิตเป็นหนึ่งคนที่จิตสงบดีแล้ว จะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาคิดไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเพราะจิตของเรานิ่งจิตของเราสงบแต่ถ้าว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านจะคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะคิดไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมือนกับเราไปพบไปเจอในเรื่องต่างๆมาอย่างเสียอกเสียใจอยู่ แต่นี้เราจะให้มาคิดเป็นเหตุเป็นผลพวกเราคิดดูก็แล้วกันมันคิดไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะใจของเรายังปุงฟุ้งซ่านจิตใจของเรายังส่งนอกอยู่แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นสมาธิดีใจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเราสงบจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาระดับไหนพิจารณาเรื่องภายนอกกคดีโลกหรือคดีธรรมก็พิจารณาได้เพราะใจของเราเนิ่งจิตใจของเราสงบเนี่ยใจของเราสงบมีประโยชน์ ตัวเองเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เป็นประโยชน์นานเท่านานในหลักของพุทธศาสนาที่นี่ปัญญาของพุทธศาสนาปัญญาสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอะไรเมื่อจิตสงบแล้วท่านให้พิจารณากร ร, า, า, ากรรมฐานอย่างพระกรรมฐานคือปัญญาคํานี้ปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมส่วนปัญญาทางโลกนั้นมีมากมายหลวงพ่อเองจะไม่บรรยายให้แก่ศรัทธา ญ, ญาติโยมเพราะว่าปัญญาทางโลก มีมากมายหลายหลายอย่างาการทำมาหาเลี้ยงชีพการทําค้าขายกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็การก่อสร้างการอะไรมีมากมายล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทั้งนั้นแต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักให้พระสงฆ์พิจารณานั้นคือให้พิจารณาอะไรท่านให้พิจารณากรรมฐาน5ให้กําหนดดูกรรมฐาน5ให้ดูร่างกายของตนเอง ร่างกายคือเกษาคือผมโลมาคือขนนัขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังคนเราหลงหนังหลงร่างกายนี่แหละพอหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงสิ่งสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับกายแต่ตาไม่จริงพระพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกจะต้องสลายอย่างของปู่ของเราอย่างนี้ะหละถึงท่านจะมีความ สงบพร้มเย็นเป็นสุขมีประโยชน์ต่อประเทศชาติป้านเมืองต่อวง พ, พระพุทธศาสนามากขนาดไหนแต่ท่านก็ต้องจําใจจะจําใจลาพวกเราท่านทั้งหลายในโลกคนี้ก็เหมือนกันเพราะฉนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายจะต้องแตกจะต้องนอนทับถมแผ่นดินไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่า เมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราแล้วร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราและทรัพย์สมบัติเงินคํายศถาบรรดาศักข์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะว่าแต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเออมันคว้าน้ําเหลวนะมันไม่ถูกนะเพราะฉนั้นพระพุธองก็ให้พิจารณา แตว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะไม่ใช่ของเราแต่เราก็อาศัยอยู่เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ต้องพยายามทําให้ดีในสถานะ น, นั้นๆแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อทําดีแล้วแต่ภาษาใจของตนเองให้คิดไว้อยู่เสมอว่าถึงข้าพเจ้าจะทําดียังไงข้าพเจ้าจะต้องถิงทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งไม่เป็นอย่างนื่นจากนั้นก็พิจารณาถึงใจ ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเรานั่นคือใครใครเรานั่นคือใครคือร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างในร่างกายของเราคือมีรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมนั่นคือร่างกายส่วนนามธรรมนั่นคือจิตใจจิตใจนั่นคือนามธรรมในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสนใจนามธรรมเลยมากกว่ารูปประธรรมนามธรรมเลยคือตัวผู้รู้คือใจ พอผู้ได้เจ้าไปศึกษาอยู่6ปีเนี่ยศึกษาเรื่องของใจเมื่อได้ศึกษาแล้วท่านบอกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสร ษ, ษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านศึกษาเรื่องของใจศึกษาเรื่องตัวผู้รู้รมากกว่าศึกษาเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายนะเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายอันนี้ไปตามสภาพเหมือนกับท่านเปรียบเทียบว่า ร่างกายเหมือนรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันแต่ทั้งสองอย่างอาศัยกันแต่ท่านสนใจคนขับรถมากกว่ารถในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมครูทุกท่านหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสนใจเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจอบรมดีแล้วใจมีคุณธรรมใจมีศีลธรรมใจมีจริยธรรมที่ดีแล้ว จะพูดออกไปก็เป็นธรรมจะกระทําออกไปก็เป็นธรรมแต่ทางวัดใจของเราเป็นนักเลงใจของเรามีตะโลบโกฏิโมโหโกธาไม่มีเหตุไม่มีผลการพูดออกไปไม่เป็นธรรมการแสดงออกไปทางกายก็มีตมัดมีตะมวย ม, ม, ม, มีออกไปเพราะเหตุไรเพราะว่าใจที่เป็นหัวหน้านั้นไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติให้ศึกษามาถึง ใจควรจะอบรมใจการที่จะอบรมใจนั้นในหลักของพุทธะท่านให้ทำสมาธิกำหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ร, รมเป็นเบื้องต้นนะวันนี้อาตมาภาพได้พูดธรรมะแนวทางปฏิบัติตั้งแต่พูดเริ่มแรกความเป็นมาของหลวงพ่อเป็นมาอย่างไรชีวประวัติย่อๆจากนั้นก็ได้กล่าวถึงองค์หลวงปู่ จันของพวกเราแล้วขอหลวงพ่อได้ยกพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปัตถวยะธรรมโนอุปชิตวานิรุชันติอนิจจาวัตจสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าก่อนที่เราจะเตรียมพร้อมเราเตรียมอย่างไรในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนถ้าเมื่อวันนั้นเข้ามาถึงพวกเราจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับไฟไม่บ้านของเราเนีเมื่อไฟไม่บ้านเราควรจะเตรียมอะไร เราต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าเมื่อไฟในไม่บ้านสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในบ้านของเราอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเราจะต้องไปเอาจุดนั้นออกมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถ้าเราไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้เมื่อไฟไม่บ้านก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนออกมาเพอเพอไปแบกไปแบกตุ่มแบกโอ่งออกมาทั้งที่ของหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้ก็จะเข้าลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักของพระศาสนาพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพระพุทธองค์ถามพระอรนุ์ว่าอานนท่านพิจารณา น, นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอรนุนบอกว่าวันประมาณวันละ ร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ยังว่าประมาทอยู่นะอต้องคิดถึงว่าเวลาหายใจไม่เข้าแล้วก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนั่นแหละจึงเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นพวกเราสาธุชนญาติโยมทุกทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้คิดไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าชีวิตของพวกเราเนี่อีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบอย่างองค์หลวงปู่เราแล้วตายและไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายแล้วทางว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิตล่วงหน้าเอาไว้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อาจจะพลาดท่าเสียทีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นมนุษย์ออกไปชาติหน้าอาจจะเป็น เ, เกิดเป็นสัตว์ที่ริชาญหมูมหมากาไกา่ได้ไง่ายๆ่เาเพราะฉะนั้น ให้พวกเราเตรียมพร้อมการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภ ร, รีรัตนัตไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สําเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเถิด